ตังใจทําเวลาเวลาเรามีสร้างโอกาสขึ้นให้เจ้าของคนเราก็ยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันนั่นแหละถ้าไม่ค่อยสร้างโอกาสให้เจ้าของะอะไรจะอาศัยดอกนอกจากกิจตภาวนาเท่านั้นอาศัยไม่ได้เอาของทองเงินพอตายนี่จัดเอาไปไม่ได้หรอก แห่งยศท้าบรรดาศักดิ์ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้รอกของท้องเองินที่มีอยู่ไปไม่ได้ถ้าแต่กันดับแม่แต่กายของเจ้าของอันแสงแสนลักแสนห่วงนี่ก็อเอาไปไม่ได้รอกพูดว่ากายของเรานี่ยแล่เฉยๆมุดบัญญัติว่ากายของเราเฉยๆกายมันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นของใครดอกตายไม่แล้วมันก็ไม่อยู่ดอกที่เข้าสามารถที่ไปเห็น กายกับจิตมันคนละอย่างกันสงบแล้วจะออกจากกายไปเป็นเอกเทศอยู่เีแยวของเขาอยู่ในธาตุแตกขันดับจิตก็ไม่ไปด้วยก็ออกนี้ไปเข้าใจอย่างนี้เอาไปไม่ได้ที่เอาไปได้ผลอัตตาอัตตาสมบัติอรรมะสมบัติปัจจของจิตของใจอานศีลภาวนานี สิ่งสมาธิปัญญานั้นบัตรที่จะติดตัวเราไปได้ออกจากนั้นเราอาไว้ไม่ได้รอกไปขอหาไปเถอะมากมากก็ใต้นี้จากมันคือเก่าเงินทองพระพุทธองค์จึงตัดเอาไว้โลกคือหมู่สัตว์บัมบัดเป็นของของตนที่เห็นที่เป็นอยู่นี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่ยข้ามานี้ยัง แต่ความตายนี้จากท้งนั้นแหละมากันและลึกอยู่อย่างนี้ตลอดจะได้ดับความโลภความโกรธลงได้โลไปหาอะไรใจของเราไม่ใช่ของเขาโกรไปหาอะไรโกดไปให้ใครโลภไปให้ใครเราจริงจริงไม่มีมีแต่เราสมมติว่าเราเฉยๆมากันเข้าใจอย่างนี้สร้างโอกาสขึ้นมาํำสมบัติธรรมสมบัติ ของจิตของใจสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติปัตรของเราตั้งขึ้นให้มันปัวเราไปเหมือนกับเงาตามตัวนะ่ะคนไปไหนเงามันก็ไปด้วยไปไหนก็สมบัติพวกนี้ก็ไปกับจิตกับใจเราไปเกิดอยู่พบไหนไหนปัดพวกนี้ก็จะติดตัวเราไปสังเวยหามากก็ไปสังวยหาแต่อย่างอื่นนั่นแหละ อยู่ในความประมาทคิดว่าเย่าของอย่าไม่ตายง่ายดอกบอกไม่ถูกนะลมไม่เข้าเวลาไหนก็ตายลมไม่ออกเวลาไหนก็ตายเข้ามันออกอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้เห็นความเกิดความตายทุกลมหายใจลมหายใจเข้าก็เกิดตายครั้งหนึ่งลมหายใจออกมาก็เกิดดับครั้งหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดตายกี่ครั้ง ข้นับดูความเกิดความตายทุกลมหายใจสิอ น, นุนเขนพระพองค์ตัดกับพระอ น, นุอนอนเธอเห็นความตายเธอวันนี้กี่ครั้งหลายครั้งอยู่พระเจ้าข้าโอ้อ น, นุนตั้งอยู่ในความประมาณแล้วต้องเห็นทุกลมหายใจสิเนีน่ยมันตายที่ขนาดไหนนะ่ะลมไม่ออกก็ตายลมไม่เข้าก็ตายลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตาย ลมเข้าก็เกิดตายถ้าดูให้เห็นลมออกก็เกิดดับพร้อมกันลมเข้าก็เกิดดับพร้อมกันเกิดกับดับพร้อมกันเกิดกับดับพร้อมกันตายพร้อมกันเกิดพร้อมกันอยู่อย่างนี้เกิดตายพร้อมกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราอย so ู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้จะไปหาอะไรมากมายแค่นี้ลมไม่เข้าก็ตายแค่นี้ลมไม่ออกก็ตายเท่านี้ แค่รวมเข้าออกเท่านี้นะชีวิตของคนถ้ารวมไม่เข้าไม่ออกก็ถือว่าเป็นผีเปลี่ยนสมมุติใหม่ให้ว่าผีที่หลวงตาสิริว่างั้นนะ่ะเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนเรียกว่าศพเรียกว่าซากเรียกว่าศพจากศพเรียกว่าของเน่าคล้องเหม็นไปมันหาอะไรให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันถึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาท วันนี้ก็พูดเรื่องจิตรู้เท่าสังขารยอดแห่งวิชาให้ฟังเท่าสังขารปัญญารู้เท่าสังขารยอดแห่งวิชาปอนก็เคยอธิบายสังขารมีอยู่ทั้งหมด6อย่างกายสังขารวากีสังขารกิตสังขารจิตตาสังขารปัญญาที่สังขารอปรุญญาที่สังขารอเนยยชาที่สังขาร วันนี้จะพูดเรื่องสังขารสามปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยยะชาพิสังขารขอให้เป็นแนวทางไปพิจารณาดูยอดแห่งวิชาอุ้รูเท่าสังขารทำไมถึงว่ายอดแห่งวิชานั่นก็มาหลงสังขารนี่แหละถ้ารูเท่าสังขารก็ดับสังขารได้ก็เรียกว่าวิชา อ้าดับสังขารไม่ได้เขเรียกว่าอวิชชาหลงสังขารก็เรียกว่าอวิชชานี่แหละสังขารก็ Jackie. ป, ป, ป, ปุญญาที่สังขารปุญญาที่สังขารอเนยชาที่สังขารยาที่สังขารก็สังขารที่มีบุญเป็นบุญเป็นกุศลอปุญญาที่สังขารก็สังขารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศล อเนยยชาพี่สังขารก็คือสังขารกลางๆลางเรียกว่าปุญญาที่สังขารก็เรียกว่าบุญก็ได้ปุญญาที่สังขารก็เรียกว่าบาปก็ได้อเนยยะชาพี่สังขารก็ไม่เรียกว่าสังขารเป็นสังขารกลางๆเรียกว่าสังขารบาปก็ไม่ใช่จะ่าบุญก็ไม่ใช่เป็นกลางๆเรียกว่าอเนยยชาพี่สังขารจะพูดเรื่องอเนยยะชาพี่สังขารสังขารกลาง ฟังก่อนทั้งขานกลางๆก็เหมือนทั้งขานก็คือกายจิตใจของเราเนี่ยคนก็ลงมาเกิดใหม่ก็มาเอาพ่อแม่นะแดนเกิดของลูกเอาพ่อแม่เป็นแดนเกิดเราก็เกิดจากก่อนนาะก่อนโมู่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนาก็คือนาทีโมูก็คือดินน้าำสมกันเรามีแต่วิญญาณ ปฏิสนที่อันของแม่ยานตัวนี้แหละยานที่มีบุญกุศลกุศลาอินญานและสีตามานเหมือนพูดให้ฟังเมื่อกี้นี่คือบุญที่ในใจของเรานนะทำมาสมบัติสมบัติของเราคนบุญมาเกิดคนบาปมาเกิดะวิญ ญ, ญาณ น, นี่เนี่ยมีเป็นกุศลากุศลอยู่ยานตัวนี้ ว่ามันสมบัติของกิตของใจธรรมะสมบัตินี่นะใจนี่แหละคือทำธรรมะสมบัติธรรมะสมบัติกบัดของใจใจก็คือวิญญาณ น, นี่แหละวญาณลงมาปฏิสนตทินี่ญญาณที่เป็นบุญเป็นบาปก็ปฏิสนตทิในครันของแม่ก็มาเกิดได้ใหญ่มาในท้องจเจริญเติบโตมาทำพุชะก่อนขึ้นมา แบ่เป็นขาเป็นปันจกักสาขาขึ้นมาขวันหนึ่งแขนสองขาสองปันจักสาขาสาขานะ่แตกออกมาเป็นกายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่อย่างนี้มันเป็นเองนะความเป็นเองของมันมาเกิดลงมาเกิดเองอจะเลินเติบโตขึ้นมาเองใก่เกิดจะเล่นเติบโตมาเกิดจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็เปรียบเสมือน ไ่นาเลือกสวนนานี่เป็นที่ปักดำเข้าก้าววิญญาณของเราลงมาปฏิสั่นที่นะคือ 1, พันพืชแตพืช ด, ดีพันดีมันก็มาเกิดก็เป็นของดีขึ้นมาพืชพันไม่ดีก็คนมีบุญมาเกิดคนบาปมาเกิดแต่ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารมันอันนี้สังขารกลางกลางเนยชาพสังขารไง ไม่บุญไม่ใช่บาปลงมาก็มาจเจริญเติบโตความเป็นเองนะี่นะใหญ่เองขึ้นมาจเจริญเติบโตขึ้นไปเองของมันจากเด็กเล็กเด็กโตไปหนุ่มสาวไปกลางคนไชปชราพอตายนีย่อย่างนี้เรียกว่าความเป็นเองเป็นเองของมันอันเรียกว่าอเนอ ย, ยชาพิสังขารเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ อัรความเป็นเองของสังขารนะมันเป็นไปอย่างนี้แต่แตอะอนยยชาพิสังขารนี่ก็อันก็เรียกว่าสังขารธรรมนี่คือมันเป็นธรรมดานี่มันเป็นเองของมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็จะเลื่นเติบโตมาใหญ่ได้ก็ตายลงไปเป็นธรรมดานี่แหละเรียกว่า อเนยยชาเพี้ยสังขาก็เรียกว่าสังขารธรรมก็ได้สังขารกลางกลางก็ว่าสังขารธรรมก็ว่าให้เข้าใจอย่างนี้แต่สังขารธรรมหรือสังขารอเนยยชาเพี้ยสังขารนี่มันก็มีสังขารโลกครอบคุมอยู่ควบคุมอยู่สังขารโลกกับปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารคือสังขารโลกเข้าใจว่าสองอันนี้เรียกว่าสังขารโลก ส่วนอเนยยะชาพิสังขารคือสังขารธรรมให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะสังขารโลกสังขารธรรมมันเกิดเองใหญ่เองเจริญเติบโตมาเองเป็นธรรมดายตายลงไปเองของมันธรรมดาสังขารเนยชาที่สังขารจึงเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมนี่เจริญเติบโตก็มีสังขารโลกโลกครอบขุมควบคุมอยู่ครอบงําอยู่ถ้าเกิดมาเป็น จเจริญเติบโตขึ้นมาเอามันขึ้นมาก็อาเป็นเกิดออกมาคลอดออกมาเป็นหญิงก็มีอวัยวะเท่ากันกับหญิงทั่วไปนั่นแหละตายก็เป็นชายเหมือนกันนั่นแหละมีอวัยวะเท่ากันหมดนั่นนี่สังคัญโลกควบคุมครอบงาอยู่อย่างนี้หญิงก็หญิงเหมือนกันเป็นชายก็ชายเหมือนกันมีธาตุสี่ดิน น, น้ำลมไฟมีอวัยวะครบถ้วน ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันหมดธาตุสี่ขันห้ายัตตานาสิบหกธาตุสิบแปด 18, เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่เท่นี่แต่แตถ้าจิตใจของคนมีบุญมาลงมาปฏิสนธิขุญยาทิสังขารปุญญาพิสังขารย่อมจะคนมีบุญมาเกิดย่อมจะ สวยย่อมจะสวยจะงามจะละเอียดประณีตต่าง ก, กันกับคนบาปมาเกิดบุญญาที่สังขานคนมีบุญมาเกิดมองดูไหนไหนดูตาดูผมดูตาดูจมูกดูริมพีปากดูอะไรนิ้วมือนิ้วเท้าก็เหมือนเียนหลอ่อเหลาวนวล น, นิ่มดูผมก็ไม่อยักขึ้นเป็นโศก คนบุญมาเกิดมีเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันสวยพอกันคนบุญมาเกิดนะคนมีศีลมีธรรมมาเกิดได้เปรียบกันตรงนี้นะเรียกว่าปุญญาพิสังขารคนมีบุญมาเกิดก็ย่อมหลอย่อมสวยย่อมอะไรดูที่ไหนก็ได้เปรียบหมดทุกอย่างไม่ค่อยเก็บไข้ได้ป่วยทีนี่ถ้าอปุญญาพิสังขาร คนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่คนไม่มีบุญนั่นแหละคนบุญน้อยคนไม่มีบุญมากเกิดมองดูร่างกายก็ผิดกันอาโขต่าเตีย้ยดูสีสันวรนนะก็ไม่สวยมองดูแข่งดูขาก็ไม่สวยดูดูตาดูชิ้วดูปากก็ไม่สวย ก็เก็บใข้ได้ป่วยอดๆแอดๆคนไม่มีบุญมาเกิดให้เข้าใจอย่างนี้อเนยยชาที่สังขารเนี่ยสังขารกลางสังขาร น, นี่แหละเป็นสังขารธรรมให้เข้าใจอย่างนี้นะอยากให้รู้ธรรมกับโลกเฉยๆดอกพูดมาอยนี้ส่วนปุญญาที่สังขารนะปุญญาที่สังขารคือสังขารโลกทําไมจึงเรียกว่าสังขารโลกเพราะว่าโลกเขา แต่งตั้งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าไม่สวยว่างามว่าอันนั้นอันนี้ก็โลกเขาสมมุติขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาตั้งแต่งขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าไม่สวยว่างามว่าทุกยากลําบากอดอยากมากแค้นก็โลกเขานว่าอย่างนี้สังขารอันนี้ยังเรียกว่าสังขารโลกสองอย่างนี้ รวมกันเรียกว่าสังขารโลกนะสังขารโลกไอยาชาพิสังขารก็คือสังขารธรรมธรรมดาก้อนธรราตุก้อนธรรมก้อนธรรมดานี่นะมาเกิดขึ้นเจริญขึ้นมาก็พอมาเกิดก็มีสังขารโลกมาครอบงำว่าสวยไม่สวยว่างามไม่งามไม่อันนั้นอันนี้ปรุงแต่งตั้งแต่งกันขึ้นมาเฉยๆท่านจึงเรียกอันสองอันนี้ว่าสังขารโลก ขันโลกกับสังขารธรรมนี่ทีนี้เมื่อเรามาภาวนาที่นี่ยมาเจริญสติปัญญาตาจิตออกจากสมาธิแล้วนี่แหละท่านเรียกว่าปัญญารู่เท่าสังขารเราก็ถอดตาหูจมูกลิ้นสังขารอันนี้ก็จะประกอบด้วยรูปน้าขันห้านั่นละสังขารโลก โลกเขาสมมติว่าเป็นลูกน้ํำขั้นห้าอายตนาหกสมมติว่าผมขนเล็บจมูกตาแล้วแต่จะสมมุติขึ้นไปในก่อนก่อนถาดก่อนทำเนี่สมมุติออกจากเนี่ยสมมติว่าสวยว่างามก็สมมุติออกจากนี่แล้วว่าไม่สวยไม่งามก็สมมุติออกจากนี่แหละถ้าเราตาบใดเรายังเห็นว่าร่างกายของเราอผิวหน้า เอามาเดินปัญญาแล้วยังมาเห็นร่างกายของเราตัวเรานี่ลนะ่ะเป็นรูปนามคันห้าอายตนะหกเห็นว่าผม้นเล็บเราผมของเราเล็บของเราขนของเราเป็นเราเป็นตัดเป็นบุคคลอยู่อันนี้ก็ยังเป็นสังขารโลกเป็นโลกอยู่สังขารโลกอยู่คือเกา่ายังเห็นว่าเจ้าของ เป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่ก็ยังเห็นสังขารร่างกายเป็นโลกอยู่นะถ้าต่อเมื่อเรามาเดินปัญญานี่ยแหละเทียนนาเกิดดูจริงเห็นจริงเรียกว่าเกิดธรรมะจากสุคือดวงห็ยธรทมขึ้นมา นีหละปัญญาเดินปัญญาเกิดรูปเกิดเห็นตามความเป็นจริงปัญญาเห็นธรรมเห็นเห็นว่าตาหูเห็นว่ า, า, วารูปนามขันหานี่แหละนามขันห้าตาหู้จมูกทิศของเราเน่ะอายตนะรูปนามขันห้าอายตนะหกหรือผมขนเล็บพั น, นว่างจากสรรบุคคลตัวตนเราเขา เกิดจกขู่ทำมาจกขูเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเนี่ยนะเห็นว่าก้อนธาตุก้อนธรรม่ก้อนปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์มีบุคคลอยู่นี่เราก็จะเห็นว่าสัางขารอันนี้นะเป็นธรรมมันมีคือเก่ามันก็คือมีเท่าเก่านะ ตาหูยมโมกดิ้นก็มีคือเก่ารูปนามขันห้าอายตนะหกนี่มันก็มีคือเก่าผมขนเล็บปันก็มียือเก่าแต่เมื่อเรามาพิจารณาเห็นแล้วรูปเกิดยานจะขู่ขึ้นดวงตาเห็นธรรมเห็นเห็นว่าลบสมมติขอกตานี่ เทนาก็สัตย์แต่วัาตาเฉยๆสมมติวัาตาเฉยๆลูกนามคันทาก็สมมุติกันมาเฉยๆปอดสมมุติออกหมดมันละพูดง่ายๆหากเราเข้าใจถอดสมมุติออกมาดูออดสมมติออกมาหมดก็คงเหลืออยู่เท่าเดิมลูกนามคันทาอายตนะหกก็เหลืออยู่เท่าเดิมผมขนเล็บฟันก็เหลืออยู่เท่าเดิมลบสมมุติออกหมด ก็คงเหลืออยู่เป็นก้อนาธาตุก้อนธรรมท่านเรียกว่าธรรมะเรียกว่าธรรมะบัญญัติเหลือแต่บัญญัติธรรมหากทอดสมมุติออกหมดก็คงเหลืออยู่เท่าเดิมตาก็ยี่เท่าเดิมหูก็เท่าเดิมผมขนเล็บปันก็มีเท่าเดิมเอาสมมุติออกก็เหลือตั้งแต่ก้อนาธาตุก้อนธรรมยิงกลายเป็นบัญญัติธรรมนี่แหละ นี่แหละสังขารธรรมกายเป็นสังขารธรรมสังขารคือร่างกายจิตใจก็มีอยู่เท่าเก่านั่นแหละแต่ว่าทอดออกหมดถอดสมมุติออกทิ้งหมดผมก็เอาทิ้งเขาสมมุติว่าผมผมจริงๆไม่มีผลก็เอาทิ้งอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองนี่เขาสมมุติขึ้นมาใช้กันให้โลกเขาใช้ร่วมกันเฉยเฉยสมมุติขึ้นมา เราดับสมมติวางสมมุติออกหมดก็เหลือตั้งแต่ธรรมะบัญญัติเหลือเท่าเก่าแต่ท่านเรียกว่าธรรมะบัญญัติหรือเรียกว่าเป็นสังขารธรรมไปเสียแล้วทีนี้แต่ก่อนเป็นถ้าเรายังเห็นว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นของของเราอยู่ตาบใดก็เรียกว่าสังขารโลกอเมื่อเราเกิดธรรมะจักขูหรือดวงตาเห็นธรรม ยานจกขู่เกิดความรู้ขึ้นมายานจกขูนะ่เนี่ยเห็นว่าสมมุติพวกนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาใช้ในสังคมมนุษย์ให้เขาเรียกกันเฉยๆให้ใช้ร่วมกันเฉยๆที่จริงลูกนามขันห้าอายตนะก็ไม่มีผมขนเล็บฟันก็ไม่มีนี่แหละ เขาบัญญัติเขาบัญญัติขึ้นจากก้อนธาตุก้อนธรรมก็คงเหลือตั้งแต่ธรรมะบัญญัติธรรมะบัญญัตินี่แหละถ้าเรียกว่าอันเนยยชาพิสังขารคือสังขารธรรมเพจะเป็นแยกออกนะมันก็มีสังขารโลกกับสังขารธรรมใช่ไหมก็มีแค่นี้ถ้ายังตาบใดเรายังเห็นว่ารูปน้ํามขันธ์ห้าอายตนะ ผมขนเล็บอาการสามสิบสองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราอยู่เป็นของของเราอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสังขารโลกอ่าเราดับสมมติหูบนามคั้นห้าอายตนาหกผมขนเล็บปันอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองถอดออกหมดดับสมมติออกหมดก็คงเหลือจั้งแต่ ทำยังเหลือตั้งแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมเนี่ยตั้งแต่ธรรมก้อนธาตุก้อนธรรมพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าธรรมมะบัญญัติรูปนามขันหะก็บัญญัติออกจากก้อนธรรมนี่แหละก้อนสังขาร น, นี่แหละเขาเรียกว่าสังขารธรรมย่อลงมาก็เหลืออยู่สังขารโลกสังขารธรรมยาพิสังขารอปุญญาพิสังขารเป็นสังขารโลก พอเข้าใจบ้างไหมนะสังขารโลกอ่าเรายังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอยู่ดาบใดอก้อนนี้ก็เรียกว่าสังขารโลกถ้าเรามาดับสมมุติลงได้ก็เหลืออยู่เท่าเก่านั่นแหละรูปน้ำขันห้าอายตนาหกก็มีอยู่คือเก่าผมขนเล็บฟันก็มีอยู่คือเก่า แต่กลายเป็นบัญญัติธรรมไปเสียแล้วท่านธาดวงตาทําเกิดยานจักขุ ข, ขึ้นอย่างนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่มีเป็นธรรมดาก้อนธาตุก้อนธรรมธาตุสีดินน้ามาประชุมกันขึ้นเฉยเตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี่มันอยู่เป็นเองของมันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสังขารธรรมนี่ ก็ไปแยกกันอีกเลยสังขารโลกกับสังขารธรรมสังขารโลกท่านก็เรียกว่าสังขารที่ของปุตตุชนปุตตุชนเป็นสังขารของปุตตุชนแยกออกสังขารโลกอุปาทินกะสังขารสังขารโลกเป็นสังขารของปุตตุชนส่วนสังขารธรรมก็เป็นสังขารของพระอริยะ นี่นะมาแยกกันอย่างเรียกว่าสังขารของพระอริยะถ้าเป็นปุปปาทินน ก, กะสังขารก็เป็นสังขารโลกเป็นสังขารของปุถุชนถ้าเป็นอนุปาทินน ก, กะสังขารก็เป็นสังขารของพระอริยะเป็นสังขารธรรม ว่สกลกายนี่เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมดาอันจึงบัญญัติว่าสเพสังขาราอนิจจานะพระพุทธองค์ตัดเอาไว้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเพธรมมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหลายคืออะไรละ่ะก็ทำฝ่ายสังขารก็คือร่างกายของเรานี่ยนะทำฝ่ายสังขาร ดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าทำฝ่ายสังขารทำฝ่ายวิสังขารก็คือใจคือวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเป็นสังขารธรรมถ้าเราพิจารณาให้เกิดให้มีให้เห็นไม่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตรู้เท่าสังขารจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาเนี่ยมีวิชาก็คือปัญญานั่นนะ ปัญญาญาณจะขู่ญาณญาณจะขู่จะขู่ญาณไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การพิจารณาอยู่ที่การครุงแต่งนี่แหละนึกคิดปรุงแต่งใช้พิจารณาญาณถอดกายออกปอดสมมุติบัญญัติออกทั้งขานทั้งหลายก็ยอ่อลงมาเหลืออยู่ขันห้านี่แหละอิทรู้เท่าขันห้านี่รู้ว่ายังไง ดูว่าขันหา่านดูนามขันหา่านว่างจากสัตว์บุคคลตัว ต, วตว น, นเราเเราก็มีนี่แหละคือปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่แยกออกให้ฟังให้ใเฉยดอกว่าสังขารโลกสังขารธรรมผู้ที่ท่านเป็นพระอริยะเข้าพระนิพพานก็จะเห็นนี่แหละสังขารสังขารธรรมเห็นขันหา่าน ดับคันห้าได้ตั้งแต่ยังไม่ตายเขาเรียกว่าสัปปะทิเศสนิพานเมื่อธาตุแตกคันดับตายไปแล้วก็เรียกว่าอุปปัติเศสนิพานพอไปจากปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยชาพิสังขารอย่างที่แสดงให้ฟังนี่แล้พูดให้ฟังนี่แล้วพอเข้าใจพูดซ้ําให้ฟังอีกสังขารสามอย่างนีย่ยาพิสังขาร อปุญญาพิสังขารอเนยยชาพิสังขารเนยยชาพิสังขารคือสังขารที่เป็นเองเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมดาปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารคือสังขารโลกเนยยชาพิสังขารคือสังขารกลางๆไม่ใช่โลกไม่ใช่สังขารโลกไม่ใช่สังขารธรรมเห็นสังขารกลางๆอยู่เกิดได้ใหญ่มากว่ลงมาเกิดที่ ท้องแม่นะั่นแหละพ่อแม่เป็นแดนเกิดของลูกเกิดขึ้นมาได้เท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนมันครบกําหนดพอมาคลอดออกมาถ้ายังไม่ครบกําหนดไม่คลอดออกมาง่ายๆนะเบ่งจนเอ่อเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะลูกเนี่ย <laughs> ไม่ถึงเวลาไม่ครบนะเบ่งยังไงก็ไม่ออกต้องครบท้วน วันเขาออกเซะก่อนความเกิดขึ้นมาเองเป็นมาเองนี่นะเป็นทาโลกเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชราวัยเบญจเพศของวัยชราลงไปก็ตายนี่เรียกว่าสังขารกลางๆนี่ไอเนยชาพิสังขารปั้งให้ออกมาขอดออกแล้วก็มาก เลรินเติบโตแล้วก็จนสุดตายเรียกว่าอันยยาัชาพิสังขารสังขารกลางๆสังขารกลางๆ น, นี่แหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็มีสังขารโลกมาครอบควบคุมอยู่อีกอคนมีบุญปุญญาที่สังขารมาเกิดก็เป็นคนสวยคนงามตาของไซ ส, สีสันวันณะก็ดีตาดวงหูดวง ปากาได้เปรียบหมดคนมีบุญมาเกิดไอยเกียบยวไข้ได้ป่วยส่วนอปุญญาพิสังขารคนไม่มีบุญมาเกิดรูปร่างก็ไม่สวยไม่งามมันคุมอยู่นี่คุมอเนยยชาพิสังขารอยู่อย่างนี้คุมสังขารกลางๆอยู่นี่เกิดมาเป็นคนคือเก๋อแต่บอกคนวิญญาณที่มีบุญมีกุศลมาเกิดมันก็ได้เปรียบกัน วิญญาณของคนไม่มีบุญมาเกิดมันก็เสียเปรียบเขาป ต, ติปัญญาก็ไม่มีอ่อนมีได้ไปเกิดมามิได้เจ็บไข้ได้ป่วยผีสันต์วันละก็สู้เขาไม่ได้คนให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าสังขารโลกโลกเขาปุญญะที่ปุญญาที่พิสังขารแต่ปุญญาพิสังขารเขาเรียกว่าสังขารโลก โลกเขาสมมุติขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าอันนั้นอันนี้แต่งตั้งขึ้นมาจึงเรียกว่าโลกเขาบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาจึงเรียกสังขารอันนี้ว่าสังขารโลกบนความเป็นเองของมันนั้นนะเกิดได้ใหญ่มาจนถึงตายนะก็เรียกว่ามันธรรมดาพอเรียกว่าสังขารธรรมมันก็มีสังขารโลกกับสังขารธรรม อุปาทินนั ก, กสังขารเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังขารโลกอ น, นุปาทินนั ก, กสังขารก็เรียกว่าสังขารธรรมมีโลกกับธรรมอยู่แค่นี้อเ น, อนอยาชาพิสังขารสังขารกลางๆถ้าตาใดเรายังเห็นรูปน้ำขันห้าที่เราเนี่ยยะตะนาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ อาการสามสิบเอดสาบสองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสังขารโลกเท่านั้นถ้าเรามาพยายาิจารณาเกิดเห็นว่ารูปนามขันหายัตนาหกอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองนี่ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเฉย อันนี้ก็เรียกว่าถูกเรียกว่าสังขารธรรมสานธรรมท่านจึงมาแยกให้ฟังอีกสังขารโลก น, น, น, น, รรนี่คือสังขารของปุตุชนสังขารธรรมนี่คือสังขารของพภาริยะถ้าใครมาพิจารณาเห็นก้อนสกกักุลกายอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองรูปนามขันหานี่ว่าว่างจากสร์บุคคลถอดสมมุติออกหมด ดับสมมุติลงได้ก็เห็นมีมุตนี่แหละปัญญารู้เท่าสังขารหรือยอดแห่งวิชาแล้วก็มีหลักหลักมีที่พึ่งคนมีสติปัญญาขึ้นมาแล้วทีนว่ากายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมดาเห็นเป็นก่อนธาตุก่อนธรรมเห็นเป็นธรรมดา มันก็สมมุติทับกันอยู่นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่สมทับลงใส่รูปนี่สมมุติทับลงใส่รูปใจก็สมมุติทับลงใส่น้ำรูป ก, กับน้ำนี่ก็คือขั้นห้านี่แหละอ้าอดสมมุติออกก็ทอดออกจากที่เดียวกันนี่แหละเขาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเฉยเยวัด ตาหูจมูกลิ้นกายนะึ่งส่วนใจก็คือนามเขาตั้งสมมติขึ้นมาใจจริงๆไม่มีมีแต่ชื่อเฉยเฉยเรียกว่านามปอเอาลงไปทับสมมติตาหูจมูกลิ้นก็ลงทับใส่นี่ก็าเรียกว่าปับใส่กายใจก็ทับใส่นามนามก็ทับใส่ใจปับใส่รูป ก, ก็ถูกนามทับใส่นามก็ถูกรูป เพลูกกับน้ำเขาเป็นก้อนเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ายังไม่ตายอาจตายแล้วถึงจะแยกหรือเข้าสมาธิถึงจะแยกกายกับใจออกจากกันได้ตาบได้ยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ก็เป็นสังขารโลกอ้าเห็นว่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นสังขารธรรมสังขารโลกก็เรียกว่า อุปาทินนั ก, กสังขารสังขารธรรมก็เรียกว่าอนุปาทินนั ก, กสังขารบางทีท่านก็แปลว่าสังขารมีวิญญาณของสังขารโลกอนุปาทินนกกสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณของหรือถอดสมมุติออกหมดคงจะเป็นอย่างนี้คงจะถอดสมมุติออกหมดนี่เด็กก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้น ยิ่เรียกว่าอนุปาทินกะสังขารพอจะเข้าใจสังขารไหมทีนี้สานโลกสังขารธรรมปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนยยชาพิสังขารพูดย้ำอยู่นี่แหละอธิบายแจกอยู่นี่แหละถ้ารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชารูว่าก้อนสกุลกายนี่ก้อนสังขารขันห่านี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสังขารโลกสังขารธรรม สังขารโลกก็เป็นสังขารของปุตุชนสังขารธรรมก็เป็นสังขารของพระอริยะนี่แหละปัญญารู้เท่าสังขารเราก็ได้เป็นอริยะบุคคลขึ้นมาเป็นง่ายไหมหลังละสกฤตทิฏฐิวิจิตรชัาได้สังขารตัวนี้ก็กลายเป็นสังขารของพระอริยะถ้ายังเห็นก้อนสกุลกายเยอ อาการสามสิบเอ็ดสามสบสองยังเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่สังขารอันนี้ก็เรียกว่าสังขารของอุตุชนถ้าละความเห็นผิดได้ดับมิจฉาทิฏฐิได้ดับความเห็นผิดได้เห็นว่าละสักยทิฐิได้เห็นว่าสังขารก้อนสกุลกายหรือลูปนามขันห้าอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนี่ ว่าจะสัรบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงก้อนธาตุก้อนธรรมแล้วก็เป็นสังขารธรรมคงเข้าใจสังขารนะการทั้งหมดมันก็มีกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยยะาที่สังขารย่นย่อลงมาเหลืออยู่สองคือเก่านะ ยกกายเอาไว้ก่อนกายย่สังขารยกเอาไว้ก่อนไวจีสังขารก็เกิดจากกิจตสังขารสงเคราะห์เขาเรียกว่ากิจตสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารเนืยชาที่สังขารก็สงเคราะห์เขาเรียกว่ากิจตสังขารสังขารทั้งยกเอากายไว้ก่อนคงเหลืออยู่ห้าห้าอย่างสงเคราะห์เขาเรียกว่าเป็น อิจตสังหารก็เรียกว่ากายกับใจคือเก่าก็เรียกว่าขันห้าคือเก่านั่นแหละถ้าเมื่อใดเห็นว่าขันห้าเป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขานี่สังขารนนี้ก็เป็นโลกสังขารโลกถ้าเมื่อใดมาพิรนาถอดที่คลายออกมาดูพิรนามาดูเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขานั่นละสักกายทิฏฐิได้ ละขันห้าดับขันห้ารั่วขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัตลวตนเราเขาสังขาร น, นนี่ก็เรียกว่าสังขารธรรมเป็นก่อนธาตุก่อนธรรมเป็นธรรมดามันก็มีโลกกับธรรมควบคุมคุมกันอยู่อย่างนี้อืมเอาวันนี้ก็พูดเรื่องสังขารมาอย่างจุใจเลยไม่ต้องไปสงสัยสังขารพงพากันเข้าใจ สังขารทั้งหกย่อลงไปอธิบายสังขารสามให้ฟังละเอียดขึ้นอีกก็มารวมกันเป็นกายกับใจคือเก่ารวมอยู่ที่ขันห้าคือเก่านะเอาละสมควรแก่เวลานั่งเฝ้าอยู่แฉะแฉะโบกหัวจักแม่นว่ายายบกหูวจักว่าสังขารคืออย่างให้หมม้ยลยยมกู่วนะนั่งเฝ้าเขาอยู่ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไร ถ้าไม่อธิบายให้ฟังง็ไม่เข้าใจแล้วกีได้มาได้มาฟังฟังพอเข้าใจบ้างพอเข้าใจบ้างไม่ล่ะอสังขารโลกสังขารธรรมกายะสังขารวิจีสังขารจิตแต่สังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารเนยยชาที่สังขารก็เราก็นั่งเฝ้าสังขารจิตรู้เท่าสังขารคือยอดอย่างวิชา ดูว่าสังขาร น, นี่เป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยๆนั่นนะแต่บุคคลอยู่ในนั่นก็เบื่อในในสังขารใช่ไหมโยมกุ้เพราะว่าไม่ไ ม, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะไม่มีสัตว์มีคนอยู่ในนั่นทําไมมันเดินได้หลังทําไมมันพูดได้หลังใหญ่แงอ้อสําคัญอยู่ พูดได้เดินได้กินข้าวได้สังขารพวกนี้ก็กินไปบำลุงธาตุกินน้ำลมไฟน ะ, ะถ้าไม่เอาไว้เอาดินเอาน้ำไปบำลุงกันไว้เราก็อยู่ไม่ได้ไม่เอาลมหายใจเข้าไปปรุงแต่งกายเอาไว้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าสังขารพวกนี้มันเสื่อมโทรมมันชำรุดสุดโทมอยู่ทุกขณะถ้าไม่บำรุงรักษาเอาไว้ก็อยู่ไม่ได้ ต้องหาอาหารมามาบารุงมันหาเอาลมหายใจมาบารุงเอาไว้มาปรุงแต่งกายเอาไว้คงทนอยู่ได้ที่จริงมันไม่มีอะไรดอกวิญญาณลงมาอาศัยอยู่ชั่วคู่ชั่วข่าวในที่สุดมันก็เสื่อมสลายแยกยนีจากกันไปขันจึงให้พิจารณาสังขารให้รู้เท่าสังขาร